ตอนดูหนังอ ppenheimer เนี่ยก็แอบรู้สึกดีใจนะที่มีคนเอานักฟิสิกส์มาเป็นพระเอกซะบ้างนะครับ <c oughs> คือปกติเนี่ยเป็นพระเอกแล้วมันไม่ค่อยมีออส่วนใหญ่ที่เป็นสายลับสายลับนี่ตลอดนักสืบไม่งั้นก็เป็นพวกแบบป่าผีหรืออะไรพวกนั้นไป <c oughs> คือคนเก่งมากๆเนี่ยเรียกอัจฉริยะแต่นักฟิสิกส์ที่จะมารวมกันเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่เหนืออัจฉริยะขึ้นไปอีกเอามาทําสิ่งที่ไม่เคยเกิดเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นอเวนเจอร์แห่งโลกฟิสิกส์เออผมว่าใช่ก็คือคุณ เจโรเบิร์ตอเพนไฮเมอร์ซึ่งก็เลยเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้ You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ทุกคนคงจะได้คุ้นเคยกับกระแสะของอ p p e n นไฮเมอนะคะแล้วก็ระเบิดปรมาณูเนี่ยถูกกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งจากหนังเรื่องนี้ค่ะซึ่งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่2ที่เราจะเห็นภาพบรรยากาศที่ว่าซีกโลกหนึ่งของผู้ชนะเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความยินดีรอยยิ้มมีผู้คนเต้นรำบนท้องถนนนะคะแต่ในขณะที่อีกฝากหนึ่งผู้แพ้เนี่ยก็เต็มไปด้วยบาดแผลผู้คนล้มตายแล้วก็ บางผลกระทบเนี่ยก็ติดอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเลยตัวเปลี่ยนเกมนั้นในสงครามโลกครั้งที่2ก็คือระเบิดปรมาณูวันนี้ค่ะใดๆในโลกโลนฟิสิกส์ชวนมาทําความรู้จักกันว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยจว เ, วเยจ้าระเบิดปรมาณูเนี่ยมันคืออะไรการทํางานของมันเกี่ยวกับฟิสิกอย่างไงนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับฟางรัฐโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจวารงจันทมาศครับเป็นไงคบพี่ไปดูมาหรื อ, อยังออฟเพนไทเมอร์ดูละก็ดีมากครับ เสียงดังกระหึมเลยเออเดี๋ยฟังยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าให้หนังเรื่องนี้ตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์เต็มเลยค่ะพี่ปองแปงแปลว่าเรื่องของระเบิดปรมาณูเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์โดยตรงเลยไหมคะเกี่ยวแน่นอนฮะเพราะว่าในการสร้างระเบิดปรมาณูเนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้ฟิสิกส์นิวเคลียร์คืออย่างนี้นะครับคือมนุษย์เราเนี่ยมีอารยธรรมมาโหยาวนานมากมีการสร้างเครื่องผ่นแรงที่ใช้ความรู้ทางฟิสิก นะฮะเบื้องต้นมีการศึกษาเรื่องเคมีมีโอ้โหความรู้ยาวนานมากแต่เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์เนี่ยเรากลับเพิ่งรู้มาเมื่อร้อยปีก่อนเท่านั้นแปลกไหมเพิ่งเพิ่งมีการศึกษาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ฮะเพราะจริงๆเราเพิ่งศึกษาเรื่องนี้มาร้อยปีเองอคำตอบคือว่าสสารต่างๆรอบตัวเราเนี่ยนะครับน้องฟางมันประกอบขึ้นจากอะตอมเป็นหน่วยย่อยที่สุดของธาตุละซึ่งอะตอมเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงนะ มันจะมีก้อนอัดแน่นตรงกลางเรียกว่านิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนกระจายอยู่ ร, บรบอบๆอันนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนคุ้นเคยกันดีใช่อยู่ในห้องเรียนเราจะคุ้นเคยดีใช่แต่ทีนี้ถามว่าทำไมศึกษายากคำตอบก็คือปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เราทำสารผสมอะไรต่างๆน า, นาการ<ม>เผาไหม้กันอะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆไม่ได้ไปยุ่งกับก้อนตรงกลางเลย ซึ่งนิวเคลียสเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง ม, มันเลยศึกษายากมากมนะครับทีนี้ถามว่ามันยากแค่ไหนลองนึกภาพดูสมมุติว่าเราจะคว้างอะไรสักอย่างให้มันไปชนนิวเคลียสเพื่อดูว่านิวเคลียสมันหน้าตา ย, ยัางไง อ, อ่ะอิเล็กตรอนเนี่ยมันแผ่ออกไปเออเป็นวงที่กว้างมากดังนั้นการจะคว้างอะไรให้มันเข้าไปถึงตรงกลางเนี่ย<อ>ก็ยากละคว้างให้โดนนิวเคลียสตรงกลางก็ยิ่งยา ก, ยา ก, กเพราะตัวมันเนี่ยเล็กมากเหมือนกัน ะะแล้วนิวเคลียสเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกนิวตรอนเป็นกลางเราอาจจะเรียกกมรวมว่านิวคลียออนนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มันอัดเป็นคอมเพกตมันเล็กมากๆดังนั้นการจะคว้างให้มันไปโดนตรงกลางหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ยิ่งยากมากเหมือนกันนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้มนุษย์เนี่ยศึกษาเรื่องนิวเคลียร์หรือนิวเคลียสได้ช้ามากเลยนะฮะนี่เป็นสาเหตุแล้วนิวเคลียส มาเกี่ยวกับระเบิดปรมาณูได้อย่างไรคะโอ้โหที่มามันมันยาวนานเดี๋ยวผมเล่าคนที่ศึกษานิวเคลียสคนแรกๆให้ได้ก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามันปูมาถึงระเบิดได้อย่างไรการศึกษานิวเคลียสยุคแรกๆเลยนะครับเกิดขึ้นโดยนักฟิสิกส์ชื่อคุณเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดในช่วงประมาณปี1919คือเขาเอาธาตุกำมันสีนี่นะครับน้องฟางกำมันสีเนี่ยเป็นธาตุที่มันจะสลายตัว พอผ่านไปครึ่งชีวิตตัวมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เคยได้ยินไห ม, มแล้วมันก็จะแผ่รังสีออกมามทีนี้รังสีจากธาตุกำมะถันรังสีเนี่ยบางชนิดมันจะมีลักษณะเป็นอนุภาคพุ่งออกมาคล้ายๆกับลูกปืนใหญ่ปุ้งปุ้งยิงออกมาลัวเลยเขาก็เอาเจ้าอนุภาคเนี้ยยิงใส่ธาตุธาตุหนึ่งแล้วธาตุเนี้ยมันเกิดการเปลี่ยนชนิดเป็นธาตุอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นยุคแรกๆของการศึกษานิวเคลียสเลยนะครับเพียงแต่ว่า คุณเอร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดก็อาจจะไม่ตระหนักถึงตอนนั้นว่ามันเกิดการเปลี่ยนชนิดธาตุแล้วหรืออะไรแบบนี้นะ ม, มีการวิเคราะห์ในเวลาต่อมาทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถพึ่งพ า, าธาตุกำมะถังสีในการศึกษานิวเคลียสได้ตลอดไปน้องฟางคิดว่าเพราะอะไรพอพูดคําว่ากำมันะถังสีจะรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่า อ, อาจจะเป็นอันตรายใช่ไห ม, มคือในยุคนั้นจริงๆเขาก็เริ่มระแคะระคายแล้วแหะว่ามันน่าจะมีอันตรายเนาะแต่นั้นไม่ใช่สาเหตุหลักสาเหตุหลักจริงๆก็คือ อนุภาคที่มันพุ่งออกมาจากกรมมันตรังสีเนี่ยนะครับมันจะมีพลังงานเท่าไหร่เรากะการกําหนดไปสั่งการมันไม่ได้มันควบคุมได้ยากควบคุมไม่ได้มันเป็นเรื่องของโอกาสคือโลกเล็กๆของควอนตัมของกรมมตรังสีอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของโอกาสดังนั้นมันแค่พุ่งออกมาตามมีตามเกิดของมันบ้างกแรงมากแรงน้อยดังนั้นจะมาศึกษาเป็นระบบเนี่ยทำไม่ได้หรือทําได้ยากมากแล้วกันก็เลยมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าเครื่องเร่งอนุภาคขึ้นมา นะครับค่ะซึ่งเครื่องเร่งอนุภาคที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเครื่องแรกๆก็มีชื่อว่าเครื่องไซโครตรอนมันมาช่วยทําอะไรคะมันช่วยในการเร่งอนุภาคตามชื่อของมันเลยถูกต้องครับคืออนุภาคเนี่ยที่จะถูกเร่งมันจะต้องมีประจุไฟฟ้านะครับเพราะประจุไฟฟ้าเนี่ยพอโดนสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กอะไรอย่างเหมาะสมนะมันจะโดนผลักผลักผลัจนกระทั่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้แล้วพอมีพลังงานถึงจุดหนึ่งที่เขาล็อกไว้เขาก็อาจจะปล่อยให้มันพุ่งไปชนกับ นิวเคลียสหรืออะตอมของธาตุสักธาตุหนึ่งแล้วดูผลว่าเกิดอะไรขึ้นได้ค่ะแต่ว่าเริ่มขยับเข้าใกล้การศึกษาตัวนิวเคลียสได้แล้วได้ละนะซึ่งคนสร้างเครื่องเร่งไซโครตอนคนแรกก็คือคุณโรแรนซ์นะครับคนโรแรนซ์เนี่ยก็โผล่มาในหนังเรื่องออเปนไฮเมอร์ด้วยโอใช่แล้วก็ได้รางวัลโนเบลเพราะว่าเขาสร้างเครื่องไซโครตอนนี่แหละเออค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังเห็นมันเป็นดูเป็นแบบฟิสิกส์ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์มากๆมันยังไม่ เห็นเขาลางความเข้าใกล้มาเป็นอาวุธนิวเคลียร์อะไรยังไงต่ออะคะพี่บงปันโอเคครับตอนนี้ฟังดูมันจะเป็นเรื่องของฟิสิกส์พื้นฐานมากๆ <S <S 2> <S 2> เป็นเรื่องของอนุภาคนิวเคลียสธรรมชาติ <S <S 2> <S 2> เป็นอย่างไรดูแล้วแบบดูไม่น่าประยุกต์ใช้ได้ <S <S แต่อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ในแทบทุกตอนน่ะของหลายๆอย่างเนี่ยพอเราเข้าใจธรรมชาติรากฐานมันมากพอหรือประกอบกับการค้นพบบางอย่างมันมักจะมีการประยุกต์ใช้งอกขึ้นมาโดยบางทีโดยไม่คาดคิดเสมอนะครับซึ่ง เมื่อมนุษย์เราเข้าใจธรรมชาติของนิวเคลียสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะผมก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าอนุภาคในนิวเคลียสประกอบไปด้วยโปรโตอนกับ น, นิวตรอนอย่างที่บอกไปโปรโตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนิวตรอนเป็นกลางถามว่าทําไมประจุบวกมันอัดเป็นนิวเคลียสได้ทั้งที่จริงๆบวกกับบวกมันเป็นไงกันมันต้องผลักถูกนะฮะคือประจุบวกกับประจุบวกเนี่ยประจุเหมือนกันมันน่าจะผลักกันจนกระทั่งมั น, ไ ม, นไม่น่าไปอัดกันได้นักฟิสิกส์ก็ศึกษาจนรู้ว่า สิ่งที่ทำให้ประจุบวกกับประจุบวกของโปรตอนและนิวตรอนมันอัดกันได้นี่นะฮะคือนิวตรอนมันเป็นกลางมันก็ไม่ควรจะอัดกันอยู่ดีมันไปนั่นได้ยังไงคําตอบคือมันมีแรงชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแรงนิวเคลีย่อยึดเหนี่ยวมันไว้แรงนิวเคลีย์เนี่ยนะครับมาค้นพบทีหลังว่ามันไม่ใช่แรงพื้นฐานนะแต่ตอนนี้เราจะเรียกก็เรียกว่าแรงนิวเคลีย์นี่แหละมันมันไม่ใช่แรงพื้นฐานที่สุดมันเป็นแรงที่เป็นผลมาจากแรงพื้นฐานที่สุดออกมาอย่างหนึ่งนะซึ่งแรงอะไรค่อยว่ากันแต่ว่า มันมีแรงนิวเคลียร์ยึยดโปรโตอนโปรโตอนตอ น, นิวตอนเอาไว้เป็นก้อนอแน่นๆเลยค่ะนั่นแหละทีนี้เจ้าแรงตัวนี้ยมันมีธรรมชาติประหลาดข้อนึงคือมันมีพิสัยที่สั้นคือหมายความว่ามันแผ่อิทธิพลไปได้ไม่ไกลมากอะฮะผมมักจะเปรียบเหมือนนักมวยอะคือแบบเวลาชกอะครับมันนักมวยเนี่ยก็ไม่ได้แบบชกได้แบบลูฟี่แบบยืดไปได้เรื่อยๆคือมันก็ชกได้ถึงแค่แบบขอบเขตของของหมัดได้เท่านี้เกินกว่าหมัดเนี่ยก็ก็ไม่มีพลังไม่มีอิทธิพลละ นึกออกไฮะยอเวนจะเป็นมนุษย์ยางยืดก็จะชกเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยนั่นก็กระตุ้น่ะนะทีนี้แรงนิวเคลียสก็เหมือนกันมันมีพิสัยที่สั้นมากทําให้อนุภาคในนิวเคลียสเนี่ยมันส่งผลต่อกันและกันได้เฉพาะตัวใกล้ๆกันมากๆเท่านั้นห่างกันมากๆเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวละอืมดังนั้นนิวเคลียสเนี่ยนะครับถ้านิวเคลียสที่เล็กที่สุดก็คือไฮโดรเจนใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆตามตารางธาตุนะพอใหญ่ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ย แรงนิวเคลียร์มันจะเริ่มยึดนิวเคลียสไว้ไม่ค่อยจะอยู่เพราะว่า อ, อะไรเพราะว่านิวเคลียสมันเริ่มใหญ่มันเกาะกันได้แค่ใกล้ๆแรงทางไฟฟ้าจะเริ่มแบบเริ่มเอาชนะได้เริ่มเอาชนะได้ไดทําให้นิวเคลียสที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันไม่ค่อยสเสถียร<อ>พอมันไม่สเสถียรมันก็จะเกิดการสลายตัวเป็นธาตุอื่นๆที่มันเล็กลงอะฮะซึ่งมันมีโอกาสที่แรงนิวเคลียร์จะเสถียรกว่าอะไรแบบนั้น<อ>นี่เป็นเหตุให้ธาตุที่หนักมากๆในตารางธาตุเนี่ย มันเป็นาธาตุกรมตลังสีแปลว่าคุณสมบัติของาธาตุกำมตลังสีคือาธาตุที่ใหญ่มากๆแล้วก็นิวเคลียสมันเกาะกันคืออันเนี้ย ม, มันเป็นแนวโน้มที่อาจจะพูดได้แบบกว้างๆเท่านั้นแต่ในรายละเอียดเนี่ย มันยังมีอยู่อันนี้ต้องไปเรียนหนังสือนะครับก็จะมีเรื่องของสัดส่วนโปรโตอนต่อนิวตอน อ, อะไรแบบนี้อีกปัจจัยมีหลายปจัจจัยแต่ส่วนหนึ่งคือยิ่งธาตุใหญ่เนี่ยอย่าง อ, อยุ่อย่างยูเรเนียมเนี่ยธาตุมันใหญ่มากอะแรงนิวเคลียมันเริ่มเกาะกันมันเกาะกันไว้ไม่ค่อยจะอยู่แล้วมันใหญ่แล้วเกินนะมันเริ่มใหญ่แต่แรงไฟฟ้าเนี่ยมันส่งผลต่อทุกๆทุกๆอนุภาคมีประจุมันก็เริ่มทําให้พวกนี้มันไม่ค่อยสถียนเท่าไหร่นะแต่ว่า ถามว่าธาตุที่มันจะเป็นกำมะถันลังสีต้องใหญ่เสมอไปไหมก็ไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียดนะแล้วตัวธาตุกำมะถันลังสีที่เราดูศึกษาเรื่องนิวเคลียสมาเนี่ยมันต่อยอดมายัางไงต่อคะพี่ปองแปงคืออย่างนี้มันมีนักฟิสิกส์ทีมนักฟิสิกส์ก็แล้วกันเยอรมันเอานำทีมโดยคุณออตโตฮานกับคุณคุณสโตรสแมนแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อคุณลิทส์ไมเนอร์สามคนนี้ทำการทดลองประหลาด คือเอาธาตุหนักอย่างยูเรเนียมมาแล้วยิงด้วยอนุภาคนิวตรอนเข้าไปอนิวตรอนเป็นอนุภาคที่เป็นกลางแล้วยิงด้วยความเร็วแบบต่ําค่ะคือไม่ได้แบบยิงแบบตั้งใจยิงแบบพุ่งเข้าไปชนแบบรถฟอร์เรี่พุ่งปุ๊บเข้าไปไม่นะค่อยๆวิ่งเข้าไปเหมือนแมงวีวิ่งครับโอปเข้าไปแบบนั้นเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเพรบว่าธาตุยูเรเนียมแตกออกมาแล้วแบบว่าเฮ้ยแตกออกมาเป็นอะไร ตอนนั้นเนี่ยก็วิเคราะห์กันใหญ่เลยเพราะว่ามันไม่เคยมีการทำอะไรแบบนี้มาก่อนวิเคราะห์กันไปกันมาอยู่ดีๆคุณลิสต์ไมเนอร์เนี่ยเขาก็ต้องลี้ภัยจากเยอรมันออกนอกเยอรมันแล้วไปที่อื่นเพราะว่าเขาเป็นชาวยิวช่วงนั้นสงครามโลกแล้วแล้วยิวเนี่ยก็จะถูกฆ่าล้างเผ่าพันถูกทำร้ายเนาะเขาก็หนีออกไปแต่ทีนี้ลิสตไมเนอร์เนี่ยก็ยังติดตามผลการทดลอง ของคุณออโตฮารแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดอเลยนะคือไม่ได้ทิ้งงานนะครับออโตฮารเนี่ยก็เชื่อว่าเอ๊หรือว่าธาตุที่แตกออกมามันจะเป็นธาตุที่ใหญ่พอๆกันสองตัวคือลองนึกภาพมือผมกําปั้นเนี่ยเป็นเป um. ็นยูเรเนียมออตโตฮารเชื่อว่ามันแตกออกมาเป็นสองก้อนอย่างเงี้ยพอๆกันนะ อ, อาจจะไม่ใหญ่เท่ากันไปแต่มันพอๆกันซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ถามว่าทําไมไม่น่าเป็นไปได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง คุณลิสไมเนฟังผลก็เออก็ไม่น่าเป็นไปได้แต่มานั่งวิเคราะห์กับหลานชายของเขาหลานชายเป็นนักฟิสิกส์หลังชายโอเคใช่อ๋หลานเป็นนักฟิสิกส์นะไม่ใช่แบบหลานตัวกระเปี๊ยบมาแล้วก็รับรู้เอาไงดีไม่ไหลานเป็นนักฟิสิกส์โตแล้วนะครับแล้วก็เอ่อก็ปรากฏว่าคํานวณอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเฮ้ยเป็นไปได้อที่มันจะใหญ่พอๆกันที่มันจะแยกออกมามีขนาดพอๆกันแล้วพอคํานวณว่า ไอ้ส่วนที่แตกตัวออกมามีพลังงานเท่าไหร่นะเขาตกใจมากว่า <Wow. S 1> เขาตกใจมากว่าส่วนที่แตกตัวออกมาเนี่ยมีพลังงานมหาศาลเลย hmm. พลังงานมหาศาลที่ว่าเนี่ยมากกว่าการเผาไหม้ทั่วไปสักประมาณ20ล้านเท่าได้ hmm. นึกออกไหมคือ hmm. แต่ว่ามันเยอะมากจริงมันเยอะมหาศาล hmm. การเผาไหม้เนี่ยเราอาจจะนึกถึงเอาเอากระดาษไปเผา hmm. เอาหาหนาวก็กะกวาดใบไม้เอาไปเผา hmm. แล้วก็ทให้อบอุ่น hmm. หรือใช้ฟืนไปเผาอะไรเงี้ยแต่การเผาไหม้ที่มันรุนแรงก็เช่นการใช้ระเบิดอย่างเงี้ยครับเช่นระเบิดไดนาไมค์การใช้ดินปืนประทัดไอ้พวกนี้ก็คือการเผาไหม้นะคือต้องใช้ไฟไปจุดใช่ไหมนี่ก็คือการเผาไหม้แต่ชิ้นส่วนของตัวนี้มันแตกออกมาเนี่ยมันดันมีพลังงานต่ออะตอมมากกว่าการเผาไหม้มหาศาลสัก20ล้านเท่าเนี่ยมันมันน่าทึ่งมากซึ่งการคำนวณก็มีการใช้สมการ E เท่ากับ mc สองมาคำนวณด้วยนะครับเขาก็ ทีพิมพ์ผลการวิเคราะห์เนียลงไปในวันสารวิชาการโดยที่หลานชายของเขาเนี่ยเรียกชื่อปรากฏการณ์เนี้ยว่าฟิสชั่นเป็นครั้งแรกถามว่าฟิสชั่นมาจากไหนหลานชายเขาตั้งชื่อเนียมาจากคือยืมคำมาจากทางชีววิทยาคือเวลาเซลล์มันแบ่งตัวเขาเรียกไบรนารีฟิสชั่ก็ยืมมาใช้กับฟิสิกส์ด้วย แล้วปรากฏการณ์นี้มันเริ่มมันเริ่มมีคําว่านิวเคลียร์เริ่มมีคําว่าแบบฟิชชั่นอะไรที่เราคุ้นๆกันนะคะพี่องค์แปงมันถูกต่อยอดแล้วถูกเอาไปตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะมันเป็นทฤษฎีเป็นคือยังเป็นทฤษฎีอยู่ในกระดาษและมีห้องทดลองแค่ยิงอยู่ตอนเม็ดเดียวแล้วแตกออกมาแล้วเท่านั้นจบแต่มันยังไม่จบนิดนึงคือคือคุณออตโตฮารเนี่ยก็ตีพิมพ์ผลในเวลาไล่เลี่ยกับคุณอีกฝั่งกังก็ตีพิมพ์เหมือนกันแต่คุณออตโตฮารแอบไม่ใส่ชื่อคุณลไงป แล้วทีนี้ก็ออโตหานก็ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์แต่เพียงผู้เดียวอ๋อถึงแม้ว่าจะเคยศึกษาร่วมกันมาแล้วก็แยกที่อยู่กันไปก็ตามและลิทส์ไมเนอร์เนี่ยเป็นคนตีความผลและคำนวณได้อย่างถูกต้องด้วยนะซึ่งเป็นเรื่องน่าทึ่งเป็นโจทย์ที่ยากด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเออทำไมโนเบลไม่ให้เรื่องนี้ก็ไว้ว่ากันนะครับแต่ทีนี้พอพอเกิดเรื่องเนี้ย ก่อนจะไปทางทางระเบิดข อ, อนิดนึงได้ไหมคือต้องอธิบายก่อนว่าทําไมเขาไม่เชื่อว่ามันจะแตกออกมาเป็น2ก้อนใหญ่ๆเท่ากันตอนแรกใช่ไหมคะใช่คำตอบคือก่อนหน้าของการทดลองนี้นะครับการการทดลองฟิสชั่นของคุณอัตโตฮาร์เนี่ยนักฟิสิกส์เขาเคยทําการทดลองเอาอะไรสักอย่างเนี่ยยิงใส่อะตอมให้มันแตกเป็น2ชิ้นมาแล้วละ่ะก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่าอะตอมที่แตกเป็น2ชิ้นก่อนหน้านี้นะฮะมันเป็นธาตุที่เล็กกว่าย<อ>ูเรเนียมและอย่างที่2คือส่วนที่วิ่งเข้าไปพลังงานมันสูง มันก็ตรงไปตรงมามันเหมือนผมแบบเอาเอาเอาแก้วมาวางไว้อะนะแล้วก็เอาปืนมาเล็งยิงปุ๊งเข้าไปลูกกระสุนมันพลังงานสูงไปชนแก้วแก้วแตกน่าตกใจไหมไม่มันก็ปกติอ่ะตกกิมันก็ธรรมดามันก็แตกออกไปไม่ได้มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากแม้ว่ามันจะน่าทึ่งว่าโอ้ทําได้ด้วยแต่มันไม่มันไม่ประหลาดแบบฟิคชั่นฟิคชั่นเนี่ยคือธาตุใหญ่แบบยูเรเนียมแล้วยิงนิวตันแบบสโลมากเข้าไป ไม่ได้สโลสุดๆนะฮะแต่มันสโลถึงจุดวิ่งเข้าไปจุดๆธาตุมันแบบปุ่มออกมาอย่างเงี้ย<อ>แล้วแถมพลังงานที่แตกออกมาเนี่ยมันดันมีค่ามหาศาลแปลว่ามันมีความพิเศษอะไรบางอย่างด้วยตัวธาตุยูเรเนียมอยู่ในนั้นไหมคะตรงนี้อาจจะลึกนิดนึงแต่ผมจะพูดให้ฟังเผื่อมีคนเรียนหนังสืออยู่ก็จะได้เห็นภาพนะฮะก็ะะถ้าเราเอายูเรเนียมกับนิวตรอน ก่อนจะเกิดฟิชชั่นนะฮะมาชั่งน้ําหนักได้เท่าไหร่ก็จดไว้แล้วก็เอาธาตุที่มันเกิดทีหลังสองชิ้นเนี่ยออกมาชั่งน้ําหนักกับอะไรก็ตามมาชั่งไว้มันเกิดความประหลาดคือว่าธาตุตอนหลังพอชั่งน้ําหนักเนี่ยมวลรวมกันแล้วเนี่ยดันน้อยกว่าตอนต้นอยู่หน่อยนึงส่วนต่างของมวลเนี่ยมันกลายเป็นพลังงานตามสูตร E เท่ากับ mc สอง กับชิ้นส่วนของฟิสชั่นคือตอนแรกสมมติหนักสิบหน่วยแตกออกมาได้2ก้อนมันไม่ได้5กับ5นะมันเป็น4จุดสมมตินะสีกับ 4.8 อย่างเงี้ยหายไปมีมันไปไหนอ่ะอ๋อมันหายไปเป็นพลังงานจนของชิ้นส่วนตัวนี้ซึ่งก็คือความร้อนนั่นแหละนะครับค่ะซึ่งถ้าเราศึกษาลึกเข้าไปอีกเราจะพบมวลที่หายไปนี่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์นั่นแหละครับน้องฟางคราวนี้แหละเฮ้ยมันเริ่มเข้าสู่ระเบิดตรงไหนอ่ะ ตอบสักทีคนที่รู้ข่าวเรื่องนี้แล้วตื่นเต้นมากคือนักฟิสิกส์นะครับที่อยู่อเมริกาคนหนึ่งชื่อคุณลีโอซิลาดลีโอซิลาดเนี่ยเห็นปุ๊บแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยรู้สึกว่าโหถ้าเราสามารถบังคับให้ท่าที่แตกออกมาเนี่ยปล่อยนิวตรอนต่อได้หรอคือมันไม่ใช่2ชิ้นแล้วคะเนี่ยแต่เป็นสองชิน้นแล้วมีเศษสเก็ตนิวตรอนหลุดออกมามแล้วถ้าไอเศษสเก็ตเนีย ไปชนเขากับนิวเคลียสยูเรเนียมตัวอื่นๆแล้วแตกออกมาอีกแล้วก็ปล่อยนิวนิตอนออกมาอีกออไปชนอีกอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันจะเกิดพลังงานมหาศาลด้วยตัวเองคือไม่ต้องมาคอยยิงนิวตอนอยู่เรื่อยๆอด้วยตัเองอคือเขาเรียกการการซัสเตเนเบิลการอยู่ได้ด้วยตัวเองนี้ว่าปฏิกิริยาลูกโซ่หรือเชนเรแอชชั่นนึกออกไหมฮ ะ, ะและแน่นอนพลังงานมหาศาลเนี้ยมันจะปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องโดยที่เราจุดระเบิดแค่ครั้งเดียวแล้วก็บูมต่อเนื่องไปเลย <น>เริ่มเห็นเขาลางความหายานาเกิดขึ้นใช่คูณิโอซิลลดก็ส่งข่าวนี้ไปให้กับคุณสจวรอซึ่งก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าไปดูหนังก็จะรู้ว่าเป็นใครแต่ว่าข่าวนี้ก็ค่อยๆแพร่ไปเรื่อยนักฟิสิกส์ก็ตื่นเต้นมากมว่าเฮ้ยมันมันได้จริงหร อ, อ ม, มันจะทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันทําได้นะก็มีการศึกษาจนค้นพบว่าธาตุยูเรเนียมเนี่ยคืออธิบายก่อนยูเรเนียมเนี่ยเป็นธาตุที่หายาก คือถ้าจะไปหาธาตุยูเรเนียมรอบตัวเนี่ยมันไม่มีหรอกอคือมันน้อยจนเรียกว่าไม่มีมนะครับต้องไปหาจากแหล่งแร่แล้วก็เอามาถลุงยแยกเอาอยูเรเนียมออกมาแล้วทีนี้เขาค้นพบว่ายูเรเนียมเนี่ยมันมี2ชนิดยูเรเนียมชนิด235กับ238สามาปดเาเปว่า 2-35 มเนี่ยมันเป็นไอโซโทปเป็นญาติกับ 2-38 สามคือจํานวนโปรโตอนมันเท่ากันแต่จํานวนนิวตรอนไม่เท่ากัน <น>ความหนักนของมั น, นจะต่างกันนิดหนึ่งตรงกลางนะครับแต่ว่าคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันเลยแต่คุณสมบัติทางนิวเคลียร์ไม่เหมือนกัน<อ>ทีนี้เจ้า2 3 5เนี่ยเขามาค้นพบว่ามันมีโอกาสทำตรีานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นแล้วสามารถปล่อยนิวตรอนออกมาต่อได้เอาอละคราวนี้แหละก็เลยเกิดการพยายามแสวงหายูเรเนียมชนิด2 3 5ให้ได้มากที่สุด ถ้าไปดูหนังก็จะเพราะว่าโอ้โหกว่าจะได้มาเนี่ยยากมากเพราะกระบวนการทางเคมีมันแยก2องกับ238ไม่ได้มันต้องใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ทุกวันนี้ก็ยังแยกยากอยู่นะแต่แต่ในหนังนั้นคือยุคแรกๆเลยมันจะแบบโหดมากคือในยุคในยุคสงครามโลกก็แล้วกันมันจะมันยากนะครับแล้วก็ต้องทําเวลาแข่งกับหลายๆอย่างก็ท้าทายทีนี้สองสามหเนี่ยอธิบายนิดนึงว่าพอได้ 2- องสามหามาเนี่ยเขาจะต้องเอามากระจายๆอยู่กับ2องสามแ ถ้ากระจายไปถึงจุดหนึ่งเขาเรียก critical mass ม, มันก็จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้<อ>แต่ระเบิดปรมาณูจะต้องใช้2 3 5มากกว่า critical mass เนี่ยมากๆเรียกว่าเกิดเป็น super critical กันลวกันคือต้องกระจาย2 3 5อยู่มากๆเลยเพื่อให้มันโอ้โหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่อย่างรุนแรงตรงนี้ก็มีการคำนวณอะไรต่างๆจนพบว่าต้องใช้เท่าไหร่ ย, ยังไงถึงจะเหมาะส ม, มนะครับ ซึ่งตอนนั้นไอการคิดค้นพวกนี้ ม, มันมันถูกเอาไปใช้ในสงครามหรือยังคะหรือว่าเป็นเพียงแค่การศึกษาก่อนการคิดค้นสิ่งเหล่านี้เกิดในโครงการชื่อแมนฮัตตันซึ่ง เ, เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณมามหาศาลเพราะว่ามหาศาลแค่ไหนก็ต้องไป สร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งอย่างเป็นความลับโดยมไม่ให้ใครรู้นะฮะเมืมเมนจะกลางทะเลทรายเลย<ม><ม>แล้วก็ต้องไปซื้อย<ม>ูเรเนียมมาแล้วก็ต้องทําให้มันเกิดสองสามห้ากับ238แยกกัน<ม>แล้วก็ต้องเอานักฟิสิกส์ระดับหัวกะทิอัจฉริยะเ<ม>ต็อัจคือคือคนเก่งมากๆเนี่ยเรียกอัจฉริยะ<ม>แต่นักฟิสิกส์ที่จะมารวมกันเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่เหนืออัจฉริยะขึ้นไปอีกเอามาทําสิ่งที่ไม่เคยเกิดเนี่ยให้เกิดขึ้น เป็นอเวนเจอร์แห่งโลกฟิสิกส์เออผมว่าใช่มีคนทํามีมล้อด้วยอืมเอออเวนเจอร์โลกฟิสิกส์เลยอืมแล้วก็แน่นอนคนคุมงานเป็นดเรกเตอร์นะฮะก็คือคุณเจโรเบิร์ตอัพเอนไฮเมอร์ซึ่งก็เลยเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้นะครับเป็นยังไงก็ไปดูแล้วกันแต่นั่นแหละที่มาที่ไปก็ประมาณนี้อืมเราก็พอจะเห็นว่าที่มาเนี่ยมันมาจากคุณวิทไมเนอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่อีกฝั่งหนึ่งอีกสคนอ่ะทํามาจนสุดท้ายเนี่ยมันศึกษากันต่อมาแล้วมันถูกเอามาใช้ในสงคราม ออกมาเป็นตัวระเบิดปรมาณูนี่ใช่ครับแล้วไอ้ผลพวงจากโครงการแมนฮัตตันค่ะพี่บองแปงมันต่อยอดไปยังไงต่อคะก็มีการสร้างระเบิดปรมาณูจนสำเร็จนะครับก็ระเบิดยูเรเนียมโค้ดเนี่มชื่อลิตเติลบอยไอ้หนูเอาไปทิ้งที่ฮิโรชิม่าครับโดยที่ไม่มีการทดสอบมาก่อนิ้งสดสดมากครั้งแรกอะไรเงี้ยหรอครั้งแรกแสดงสดทิ้งตู้มลงไประเบิดรุนแรงเลย S <S <S ส่วนที่เอาไปทิ้งที่นา ง, งาสกิชื่อแฟตแมนไอ้อ้วนไอ้ตัวเนี้ยเป็นระเบิดชนิดพลูโทเนียมซึ่งทดลองมาแล้วในชื่อโค้ดเนมทรินิตี้ซึ่งอันนี้อยู่ในหนังเรื่อง Open ออ e เอนไฮเมอร์นะครับก็เป็นการทดลองแบบนี้แต่ระเบิดยูเรเนียมไม่ได้ทดลองทิ้งสดเลยต้องบอกก่อนว่า คนเขาก็มีการประมาณการความเสียหายไว้ก่อนแล้วนึกออกหฮะคือทีมนักฟิสิกส์เขาก็ประมาณการกันไว้แต่พอทิ้งจริงเนี่ยเฮ้ยมันเวอร์วังอลังการเกินกว่าที่คิดไว้มากๆนั่นทำให้เป็นเรื่องน่ากลัวและนักฟิสิกส์บางท่านก็แล้วกันถึงขั้นกลัวแบบจับจิตจับใจไปถึงแก่นกระดูกวิ ญ, ญญาณไปเลยว่าแบบเฮ้ยคือคือปกติเรา เราเอาไม้ไปตีคนเนี่ย ม, มันเราก็รู้สึกแย่แล้วว่าว่า เ, เขาเจ็บอะ่ะแต่เนี่ยเราสร้างสิ่งที่คนเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แค่คนเดียวด้วยคือแต่มหาสารเกินกว่าที่คิดไว้แล้วตายอย่างทุกทรมานด้วยบางหลายหลายคนเสียชีวิตทันทีที่ระเบิดลงแต่พวกที่ไม่เสียชีวิตทันทีเนี่ย หลังจะออกมาก็เสียชีวิตด้วยพิษบาดแผลหรือไม่ก็ผลพวงจากกัมมัตรังสีแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีกัมมันตรังสีตกค้างอีกโหโยาวนานมากมกว่าจะกว่าจะสิ้นสุด น, น, นะฮะใช่ถ้าถ้าเราเห็นตัวออภาพในประวัติศาสตร์เนาะที่จะเห็นคนญี่ปุ่นนะ่ะไปจนถึงเด็กเลยนะที่แบบไม่ได้ตายแต่ว่าเขาก็มีแผลเต็มตัวแล้วก็ป่วยจากนั้นต่อไปอีกยาวๆเลยเนาะใช่คือผู้บริสุทธิ์เนี่ยเสียชีวิตเยอะมาก แต่ไอเรื่องนี้ผมว่ามันก็พูดยากคือในช่วงสงครามเนี่ยเราไม่ไม่สร้างระเบิดเนี่ยก็ไม่รู้มันจะหยุดแค่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคือพอเห็นผลแล้วเราก็เข้าใจไงแต่ว่าตอนไม่เห็นผลเนี่ยช่วงสงครามมันเป็นอะไรที่ผมมันตึงๆมันพูดยากเหมือนกันนะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่สร้างไม่เอาไปทิ้งเนี่ยมันผลลัพธ์จะเป็นยังไงญี่ปุ่นจะยอมแพ้เร็วขนาดนี้หรือไม่อย่างไรตรงนี้ ผมว่าพูดยากแต่ก็บอกได้ว่าตัวระเบิดปรามาณูเนี่ยมันเปลี่ยนเกมจริงจมันทำให้เปี่นเกสงครามนั้นมีผู้ชนะมีผู้แพ้เกิดขึ้นโหชัดเจนเลยใช่ครับค่ะแล้วแล้วถ้าเราเห็นเมื่อกี้เราคุยกันถึงผลกระทบจากตัวระเบิดปรามาณูค่ะพี่ป่องแปงจริงๆแล้วแปลว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยมันแผ่รังสีหรือมันมีผลกระทบที่ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ก็คือ ตัวมันเนี่ยหลักๆแล้วพลังงานที่มันให้ออกมาเป็นความร้อนเนาะแต่มันก็จะมีพวกรังสีแกมมาอะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นรังสีพลังงานสูงออกมาด้วยะนะครับแล้วก็มีพลังงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็นั่นแหละก็อย่างที่เห็นนะแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีด้านดีของมันเพราะว่าถ้าเราสามารถควบคุมให้ปฏิยาลูกโซ่เนี่ย ไม่เกิดขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่า super critical แต่เกิดขึ้นในระดับ critical แล้วก็ค่อยๆปล่อยความร้อนออกมาละ่ะค่อยๆปล่อยออกมาแล้วค่อยๆ ค, ควบคุมไม่ให้มันรุนแรงเกินไปมันก็จะกลายเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดประโยชน์มหาศาลเลยนะครับเนี่ยเป็นเบื้องหลังของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และระเบิดปรมาณูคือเรื่องนี้เนี่ยนะมันมันเหมือนสองด้านของคมจริงๆอะ มันเหมือนสิ่งที่พูดกันมาตลอดตั้งแต่เด็กว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะคุณครูจะพูดไฟฟ้ามีคุณอนันต์มีโทษมหันเกิดไม่ทันครูคนละยูครับผมไฟฟ้ามีคุณอนันต์มีโทษมหันเทคสองเอาให้ให้โอกาสใหม่ก็ไฟฟ้ามีคุณอนันต์มีโทษมหันโอเคอะไรแบบนั้นดังนั้นไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ตอนที่เป็นโทษเนี่ยก็เกิดไฟดูดไฟรั่วอะไรอย่างนี้ <น>ไฟลัดลวงจร<อ>ี่จะใช้มันในทิศทางไหนใช่ก็ฟิชชั่นก็เป็นเบื้องหลังของทั้งระเบิดปรมงนูที่ทำให้เกิดการทำลายล้างรวมทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สุดแสนจะเป็นประโยชน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ผมก็ออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เจาะลึกไปที่วิศวกรรมน ะ, ะว่า เ, าเบื้องหลังของระเบิดเนี่ยเป็นยังไงจุดระเบิดยังไงอะไรยังไงอันนี้ ไว้ว่ากันถ้ามีคนอยากฟังก็จะเป็นตอนระเบิดปรมนูหรือว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมีการจุดฟิชชั่นอย่างไรมีการเอาอะไรมาทำให้มันปล่อยพลังงานช้าลงมีตัวไหนไปรับความร้อนจากฟิชชั่นอะไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้ดีเทลมันเยอะเป็นเรื่องของวิศวกรรมโรงไฟฟ้าละอันนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งได้เหมือนกันแต่ตอนนี้อยากเล่าเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เป็นเบื้องหลังของทั้ง2องอย่างร่วมกั น, ก, นก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นนะ แต่ทีนี้มันจะมีข้อสงสัยค่ะพี่บ่งแปกว่าเอ๊ะโครงการแมนฮัตตันกว่าจะมาเป็นตัวระเบิดเนี่ยเกี่ยวกับไอสไตน์ไหมมันก็จะมีความสับสนกันนิดนึงไม่แน่ใจมันเกี่ยวข้องกับเขาไหมคะเกี่ยวแต่มันไม่ได้เกี่ยวในฐานะที่ไอสไตน์เป็นคนสร้างระเบิดนะคืออันนี้คือบางทีเราก็อาจจะพูดกันไปแบบไม่ถูกต้องนะครับว่าไอสไตน์คือผู้สร้างระเบิดปรมนูไม่ใช่ไอสไตน์ไม่ใช่คนสร้างคนสร้างคือทีมงาน โครงการแมนฮัตตันเนื้อออกไหมแล้วไอน์สไตน์มาเกี่ยวตอนไหนคะคือตอนที่นักฟิสิกส์คุณออโตฮารคุณลิทส์มาเนอร์อะไรพวกนี้ทําการทดลองฟิชชั่นแรกๆอะไรเงี้ยฮะไอน์สไตน์เห็นผล <ๆ S 2> เห็นอะไรแบบนี้ <ๆ S 2> ก็เริ่มก็เริ่มคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดระเบิดเขานะฮะก็มีการร่างจดหมายไปถึงคุณประธานธิบดีในยุคนั้นว่าเฮ้ย ม, มันอาจจะเกิดการเอาไปทําเป็นอาวุธได้นะแล้วเขาก็มีความหวั่นใจพอสมควรว่า ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะทําระเบิดอยู่ก็ได้เพราะว่ามันเริ่มจากฝั่งเยอรมันนี่ยถูกไห ม, ม, มแล้วนักฟิสิกส์เยอรมันเนี่ยโอ้โหเก่งแบบเก่งเก่งควอนตัมอ่ะทั้งนั้นเลยวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กอะไรคุณออตโตฮาอะไรพวกนี้คือพวกอะตมอมฝั่งเยอรมันฝั่งยุโรปเนี่ยโอ้โหเก่งเก่งทั้งนั้นเลยกลัวทําไงดีอะก็ส่งจดหมายไปอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแมนฮัตตันทางนึงเลยนะครับแล้วก็ไอน์สไตน์มาเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้ว เพราะสมการ E เท่ากับ mc สองเนี่ยมันแทบจะแฝงไปในการคำนวณสำคัญหลักๆของของปฏิเริ่ยานิวเคลียร์แทบทุกปฏิเรียาเลยอะ่ะ ม, ม, มวลที่มันหายไปเป็นพลังงานเท่าไหร่ใช้อะไร E เท่ากับ mc สองก็มา <ใน S 1> จากไอน์สไตน์นะฮะแต่แต่มันเหมือนกับคนที่คิดเริ่มเกี่ยวกับอ่ะผมเปรียบแล้วกันว่าผมสมมุติว่าคุณแบนอุลี่คิดหลักเกี่ยวกับของไหลและสร้างความและเกี่ยวกับความดันของไหลอะไรแบบเนี้ย แต่คนสร้างเครื่องบินจริงๆไม่ใช่คุณแบรนูรี่นะหรือว่าไอแซคนิ t ันคิดกลศาสตร์คลาสสิกขึ้นมาแล้วก็คิดเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแรงแอคชั่นถกบรี a c ชั่นอะไรพวกนี้แต่เขาไม่ได้ไม่ใช่คนสร้างจรวดมันเป็นวิศวกรรมที่ต่อยอดออกมาดังนั้นไอสไตล์เป็นเหมือนตัวนักทฤษฎีที่คิดค้นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างระเบิดประมานุแต่อย่างที่บอกครับมันเอาไปทาอะไรก็ได้เท่ากับ เอาไปอธิบายปรากฏการณ์อื่น ๆ, ๆได้อีกมากมายหลายอย่างเหมือนความรู้มันต่อ ย, ยอดความรู้ไปทำอย่างอื่นต่ออีกทีหนึง่งใช่ครับมีมีอีกคำถามหนึ่งคื อ, อพอเมื่อกี้เราคุยกันก็จะได้ยินชื่อนิวเคลียร์ฟิชชั่นใช่หมคะแต่ว่าถ้าเราเรียนในห้องเรียนเราก็จะได้ยินคำว่านิวเคลียร์ฟิวชันใช่มันมันต่างกันยังไงคะสองอันนี้ต่างกันฮะก็ฟิชชันเนี่ยคือธาตุใหญ่ใหญ่ โดนอะไรเล็กๆไปกระตุ้นให้มันเหมือนไม่สเสถียรไปก่อกวนมันแล้วมันก็แตกปุ๊บออกมาคายพลังงานออกมาด้วยนะฮะเป็นความร้อนแต่ฟิวชั่นคือปฏิกิริยาที่ธาตุเล็ก2ทธาตุเนี่ยมันเข้ามารวมกันเป็นธาตุใหญ่แล้วก็คายพลังงานออกมาอ๋อเป็นการแตกกับการรวมใช่ฟิวชั่นก็ฟิวส์หลอมรวมซึ่งฟิวชั่นเนี่ยเราพบเห็นได้ง่ายมากที่ดวงอาทิตย์ไงล่ะ ดวงอาทิตย์เนี่ยคือเตาปฏิกร f u ฟิวชันที่ร้อนจัดจนกระทั่งไฮโดรเจนวิ่งมาชนกันธาตุเบาวิ่งมาชนกันกลายเป็นธาตุหนักแล้วเ ป, เปล่งพลังงานออกมานะคร<า>ับก็ดวงอาทิตย์แปลงแสงได้อย่างไร<ฆ>ไปดูนะฮะมีตอนนั้นแล้ว <c oughs> อันนั้นอะฟิวชัแต่ทีนี้ถามว่าเตาปฏิกรทุกวันนี้เขาทำแบบฟิสชั่นหรือฟิวชั่นคำตอบก็คือเขาทำแบบฟิชั่นอยู่ฟิวชั่นเนี่ยมันทายากแล้วก็ยังไม่คุ้มกับ คุ้มกับเงินที่ลงทุนยังไม่สามารถขยายเป็นในระดับอุตสาหกรรมได้<ฆ>คงไม่เร็วๆนี้แต่ว่าเป็นก้าวที่น่าจับตาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะฟิวชั่นเนี่ยสำหรับผมมันเป็นอนาคตโลกพลังงานที่มนุษย์เนี่ยผมว่าเลี่ยงไม่ได้<ฆ>ถามว่าทำไมเลี่ยงไม่ได้1คือโดยหลักการมันสะอาดมากแม้ว่าขั้นตอนมันจะไม่ค่อยสะอาดมันก็มีทั้งนั้นแหละแต่ว่าธาตุเบาที่เรารู้จักดีที่สุดก็คือไฮโดรเจน2ออนุภาคนะครับพอมันวิ่ง ม, มาชนกันปุ๊บตุ่มขึ้นมาเนี่ยนะ มันก็จะกลายเป็นฮีเลียมอซึ่งมันไม่เกิดมดลภาวะอะไรเท่าไหร่ใช่แล้วมันหลายหลายคนถึงบอกว่ามันเป็นความหวังเหมือนกันนะเป็นความหวังในเรื่องของพลังงานพอพอุยกันมาถึงตรงนี้เราฟังอาจจะอยากชวนพี่ปองแปงคุยปิดท้ายว่าเออเราเห็นว่าความรู้ทางฟิสิกส์เนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์โลกเหมือนกันเนาะแล้วก็มันเป็นเหมือนตัวเปลี่ยนเกมของทางสังคมเหมือนกันพี่พี่ปองแปงมีมุมมองอยังไงคะที่นักฟิสิกส์เหล่านี้ได้มีบทบาท ั้งไม่ว่ามันจะเป็นด้านที่ดีหรือด้านที่ไม่ดีก็ตามนะมันมองได้หลายแบบแต่ว่ามองบทบาทของนักฟิสิกส์กับการเป็นตัวเปลี่ยนสังคมยังไงอืมจริงๆตอนดูหนังอ ppenheimer เนี่ยก็แอบรู้สึกดีใจนะที่มีคนอนักฟิสิกส์มาเป็นพระเอกซะบ้างนะครับคือปกติเนี่ยเป็นพระเอกแล้วมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นสายลับสายลับนี่ตลอดนักสืบไม่งั้นก็เป็นพวกแบบป่าผี หรืออะไรพวกนั้นไปนักฟิสิกส์ไม่ค่อยมีมีบทบาทในโลกในโลกภาพยนตร์เลยอ่ะอันนี้เป็นแบบไม่กี่เรื่องนะที่ผมเห็นก็โอ้เข้าไปดูนี่จะไปดูรอบสองให้ได้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ถามว่ารู้สึกยังไงที่นักฟิสิกส์เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ผมกลับมองไปไกลกว่านั้นหน่อยมันไม่ใช่แค่นักฟิสิกส์นะหมอก็เปลี่ยนนักเคมีก็เปลี่ยนแล้วจริงๆไม่ใช่แค่โลกฝั่งวิทยาศาสตร์ผมมองว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมาจากทั้งศิลปิน นักประวัติศาสตร์ความรู้ด้านอื่นๆนักปรัชญาความรู้ที่มันมาจากหลากหลายขแขนงจากนักคิดต่างหากที่มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันช่วยเหลือกันทั้งองค์ขาพยพแล้วส่งผลสะท้อนไปมาหากันอยู่ตลอดเวลางานศิลปะหลายๆครั้งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากวิทยาศาสตร์แล้วศิลปะเนี่ยก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมอีกทีหนึง่งดังนั้นผมเลยมองว่าสิ่งที่มันส่งผลต่อสังคมจริงๆคือผลงานของเหล่านักคิด น่าสนใจมากเลยค่ะว่าความรู้ต่างหากที่ที่เปลี่ยนโลกแต่ว่าจะเปลี่ยนโลกไปในทิศทางไหนเหมือนกับพี่วันนี้เราคุยกันเรื่องของระเบิดปรมาณูเนาะปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันฟิชชันต่างๆเนี่ยมันมันสร้างการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่ามันจะเปลี่ยนและถูกหยิบไปใช้แบบไหนก็ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่งนะคะ ก็นี่ก็คือใดๆในโลกโลนฟิสิกในวันนี้หวังว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะทำให้ดูเรื่องอ p ฟเพนไฮมสนุกขึ้นหรือว่าปวดหัวมากขึ้นนะคะก็ใครไปดูแล้วมารีวิวกันหน่อยนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกด subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast นะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของพวกเราแล้วก็ติดตามรับฟังเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.